คนที่มาที่นี่นะก็รู้ดีว่าวันนีนะ้เป็นวันสำคัญสำหรับชาวพุทธอย่างไรบ้างนะวันนัสราหาบูชาเราก็เรียนมาตั้งแต่เล็กนะแล้วก็ได้ยินได้ฟังนะถึงความหมายของวันนาสราหาบูชามาโดยตลอดนะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาแล้วก็ทำให้มี พระสงฆ์เกิดขึ้นนะเป็นครั้งแรกในโลกอาทิตย์แรกก็ยังไม่เป็นสงฆ์นะเพราะว่ามีแค่ภิกษุคือภาโกุลธั ญ, ญะนะท่านได้รู้ธรรมนะเป็นพระโสตบันตอนนั้นนะก็เรียกว่าท่านนะก็เป็นเป็นผู้เดียวนะที่เรียกว่าเป็นอริยสงฆ์และตอนหลัง ป, ปัจจวัคย์อีกสท่านนะก็บรรลุธรรมตามมาเป็นพระโสดาบาันก่อนแล้วตอนหลังก็ได้เป็นพระอรหันต์หลังจากที่ได้ฟังปฐมเทศนาเนี่ยประมาณวันที่สี่วันที่ห้าหลังจากนั้นก็ถือเป็นวันสำคัญที่ทำให้มีพระตนัดไตรครบองค์สามส่วนใหญ่ก็รู้เพียงเท่านั้นนะแล้วเมื่อรู้ว่าเป็นวันสำคัญนะก็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 แล้วก็ทำให้เรารู้ความเป็นมานะของพุทธศาสนาซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธควรจะรู้แต่ไหนๆเป็นชาวพุทธองค์ทีก็ควรจะรู้ให้มากกว่า น, นั้นนั่นคือรู้ว่าพระพุทธเจ้าได้สอนอะไรในวันอาสาระบูชาเหมือน mm hmm. ถ้าเรารู้นะว่าพระองค์สอนอะไรนะแล้วก็พิจารณาไถ่ครวนรวมทั้งนำไปปฏิบัต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 เราก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นกับตัวเองว่าเออฉันเป็นชาวพุทธทีนะ่รู้ประวัติความเป็นมาพุทธศาสนารู้ว่าวันสําคัญของพุทธศาสนาคืออะไรนะรู้เรู้เท่านี้มันก็ดีนะแต่ว่ามันยังไม่ช่วยทําให้เราเนี่ยพ้นทุก์หรือว่าห่างไกลจากความทุกได้เป็นชาวพุทธตั้งทีก็ต้องรู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรด้วยโดยเฉพาะที่พระองค์ได้เทศนา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 คลายความเพียรละไม่น่าเคารพและเพราะว่าไม่เคร่งต่อไปดังนั้นพระองค์เนี่ยเมื่อมาเจอปัญจวัคคีย์เนี่ยจึงอธิบายว่าอัตตกิลมถานุโยกก็เป็นทางสุดโตรงไม่ต่างจากการสุขหรือการนุโยคอันที่พระองค์ละทิง้งอัตตกิลมุานุโยคหรือการทารมานตนไม่ใช่เพราะว่าพระองค์คลายความเพียรแต่เพราะเห็นว่านั้นไม่ใช่ทาง และพระองค์ก็บอกวามันมีทางที่ดีกว่านั้นนะนั่นก็คือทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาอันนี้เป็นการทําความเข้าใจกับปัจจวัคคีนะให้รู้ว่ามันมีทางที่ดีกว่าการทรมานตนนะและ น, นั่นคือทางที่พระองค์ได้ทรงดําเนินจะเรียกว่าทรงค้นพบด้วยก็ได้นะตรงที่ทําให้ปัจจวัคคีเริ่มหันมาสนใจ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 คนในเวลานั้นสายพุทธกาลไม่รู้จักนะคนที่มุ่งความหลุดพ้นเนี่ยก็รล่นแล้วแต่เทไปหันไปมุ่งหน้าไปสู่การทรมานตนทั้งสิ้นนะในสมัยของพระองค์นี่ไม่ว่าจะามีความคิดทฤษฎีแบบใดก็ตามะจะเป็นพวกลัทธิพราหม์หรือว่าเป็นลัทธิเช น, นสมัยนั้นนี่ไม่ใช่มีแต่พราหมอ์อย่้มีเชนด้วยนะพระมหาวีราก็เป็นคน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 ไม่ใช่เคลียร์ออกนะจะไม่กินเลยจะวางเลยนะจานข้าวหรือว่าข้าวที่กอบไว้ในมือเนี่ยนะถ้าพาะว่ามีมแมลงแม้แต่ตัวเดียวนี่ไม่กินเลยนะ<ม>น่เคร่งนึ่งขนาด น, นั้นแล้วก็ที่เคร่งขนาด น, นั้นคือว่าไ ม, ไม่ไม่ไม่มีเครื่องแต่งตัวแต่ทั้งซ้นไม่มีเครื่องแต่งกายเป็นพวกเรียกว่าที่คาพอนะอก็คือนุ่มลมผมฟ้า นะเปลือยกายนะเพื่อจะได้ใช้ชีวิตไม่เบียดเบียนนะเพราะว่าเสื้อผ้านี่มันก็ยังเป็นการไปเบียดเบียนนะแล้วก็เป็นการแสดงนนความปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงคือไม่มีความยึดติดอะไรทั้งสิน้น mm. แล้วที่เชนเนี่ยนะแม้ว่าจารย์ในเรื่องอหินสาเนี่ยแต่ว่าถึงที่สุดแล้วนี่ก็ทรมานตนกันนะไอ้ที่พูดมานี่ก็ไม่ใช่การทรมานตนนะ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 ที่ไม่มีคาราชบริพา ห, หรือว่าองค์ครกษ์ติดตามนับว่ากล้าหาญมากนะก็ไปนับถือลทัทธิเชนสุดท้ายเนี่ยก็ได้บำเพ็ญพลดคังสำคัญนะคือว่าอดอาหารจนตายนะก็เป็นที่ยกย่องมากในหมู่สาวกนะละทัทธิเชนนว่าเนี่ยพระเจ้าจันทรคุปนีนะ่เป็นผู้ที่เรียกว่ามีความศรัทธาอย่างยิ่งแล้วก็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 การที่พระองค์พูดถึงทางสายกลางเนี่ยมันมีความสําคัญมากนะทางสายกลางหมายถึงว่าอะไรทางสายกลางคือการไม่ทรมานตนรวมไปถึงการไม่สร้างความลําบากแก่ตนเองนะมีคําสอนมีคําสอนอของพระทธองคนะ์ที่พูดถึงว่าท่าทีต่อความสุขและทุกข์และความทุกข์แล้วข้อแรกเนี่ยก็คือว่า ไม่เอาทุกข์มาทับถมตนนะอันนี้มันเบาวกว่าทรมานตนนะแต่ว่ามันก็อยู่ในในในเรื่องเดียวกันก็คือเจ้าไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาทุกข์มาทับถมตนเนี่ยและพระองค์ยังบอกว่าให้รู้จักนะหาความสบายหรือว่าไม่ปฏิเสธนะความสบายความสุขที่ชอบทำนอกจากไม่เอาทุกข์มาทับถมตนแล้วเนี่ยสุขที่ชอบทำก็ไม่ปฏิเสธไม่ละทิ้ง น, นะ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 ท่งสาบสนุนแต่ก็มีข้อที่3ตามมาว่าต้องไม่สยบมัวเมาในความสุขนั้นนะคนจำนวนมากเนี่ยพอมีเงินนะพอมีความสุขสบายแล้วเนี่ยก็เอาแต่สยบมัวเมาในความสุขนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็มัวเมานะกับความสะดวกสบายนั้นนะมีโทรศัพท์ก็ดูมันทั้งวันทั้งคืนนะหรือว่ามีอ่มีเงินก็ใช้ในการบันเทิงเรองรม ไปเที่ยวตลอดเวลานะไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมหรือว่าไม่ใช้สิ่งที่มีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์นะผู้เจ้าไม่เห็นไม่เห็นด้วยกับการที่เสยบมัวมาในความสุขนะซึ่งพ่อถ้าเสยบมัวในความสุขนั้นก็คือการสุ ข, ขาริการนุโยคนั่นเองนะคำสอนสข้อเนี่ยนะมันแสดงถึงแนวคิดทางสายกลางผู้เจ้าก็คือว่าหนึ่งไม่เอาทุกข์มาทับถมตนนะสอง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 นะอย่างนี้เรียกว่าซ้าเติมตัวเองอย่างงี้เรียกว่าทรมานตนอย่างงี้เรียกว่าเอาทุกมาทับตน ท, ทับถมตนใช่หรือเปล่านะมันก็ไม่ต่างจากคนที่มีมีดใบมีดเกนอยู่ในมือนะวางอยู่บนฝ่ามือหรือว่าเศษแก้วคมๆเนี่ยวางอยู่บนฝ่ามือถ้าวางอยู่บนฝ่ามือไม่เป็นอะไรนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ทาอย่างนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะกาเอาไว้กำแล้วก็บีบกาแล้วก็บีบนะ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 จะไปส่งลูกไม่ทันนะอันเนี้ยพอคิดแบบเนี้ยนะเครียดเลยหงุดหงิดเลยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่เครียดไปซะแล้วเพราะอะไรนะพเพราะเผลอคิดไปเรื่องที่ยังมาไม่ถึงอันนี้ก็เป็นการซ้ําเติมตัวเองอย่างหนึ่งนะที่เรามักจะทําเป็นอาจจินนะไอเรื่องการปฏิเสธหรือมองข้ามความสุขที่ชอบทํานี่ก็อธิบายไปแล้วนะและที่เป็นหนักก็คือการ ไปสยบโมเมาในความสุขนะพอมีความสุขแล้วก็ยินดีกับมันมากปรับเพื่มนะจกนกระทั่งโมเมานะมีเงินแทนที่จะเป็นนายของเงินนะก็ปล่อยให้เงินมาเป็นนายเรามีความสะดวกสบายนะแทนที่จะเป็นนายเหนือมันนะกลับเป็นกลับปล่อยให้มันเป็นนายเราที่ไหนที่ไม่สะดวกสบายฉันไม่ไปนะถึงแม้ว่าจะไปอา่าจะไป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 เมื่อพระองค์เห็นความจริงเช่นนี้เนี่ยเมื่อพระองค์แก่ชาราเมื่อพระองค์เจ็บป่วยนะก็ป่วยแต่กายใจไม่ทุกข์นะีคราวนี้แต่เป็นเพราะคนเราไม่เข้าใจนะคนเราไม่เข้าใจนะีความจริงอันนี้มันก็เลยเกิดความยึดติดนะความยึดติดถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูร่างกายนี้เป็นของกูบ้านเป็นของกูคนรักของกูนะพอเราเว่าเป็นของกูหมดเนี่ยนะ พอมันเสื่อมสลายไปมันไม่เป็นใบดังใจมันไม่คงที่ไม่คงตัวนะเราก็เกิดความโศกความลำลายลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจขึ้นมาไอ้ความโศกความลำลายลำพันความไม่สบายใจเนี่ยความขับแค้นใจเนี่ยมันไม่ใช่ทุกที่จะต้องเกิดกับทุกคนนะไอ้ความแก่ความเจ็บความพัดพลาดความตายเนี่ยไม่มีใครหนีพ้นนะแต่ไม่ได้แปลว่า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 เกิดความเปลี่ยนแปลงนะกับจิตใจของเราได้แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยนะเข้าถึงเรียกว่าห่างกลาจากความทุกข์เป็นลำดับจนกระทั่งอาจจะพ้นทุกข์ได้เลยก็ได้เอาละคำนี้ก็นะพอสมควรกับเวลาแล้วก็ขอยุติการรมยาติเพียงเท่านี้